การปังธรรมนี่ก็ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติซึ่งพวกเราไม่หวอใจอันเดียวกันมาที่นี่จะคือมาปฏิบัติไมาใช่มาหลบหลีกมาอยู่ป่าเพื่องโง่ไม่สามารถจูกบสังคมได้เตี้ยขี่เกียดที่ค้าไม่ใช่อย่างนั้น พวกเร า, าอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมอันเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็เชื่อว่ามีพ ร, รัรพัตรไตรเป็นที่พึ่งอากระเสงเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเมื่ออาศัยสละได้แล้วจะพ้นจากทุกท้องปวงได้ใครก็ว่าอย่างนี้ เป็นเราสร้างวัดสร้างวาบวชลูกบวดหลานทําบุญให้ทานลงทุนล ง, ลงเรงมากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ต, ตัวเราให้ต้นจากทุกท้องป่วงแต่นี่จะเป็นชุหลวงของชีวิตของเราคนไทยทั้งชาติ วรรตตาไยอยู่นี่วรรตตาไตนี่อยู่ที่ไหนหมายถึงว่าเราเป็นอันหนึ่งวรรตตาไตรเปนอันหนึ่งอยู่นอกตัวเราไปออาศัยสิ่งที่นอกตัวเป็นอย่างนั้นก็มีบางทีก็ยังมีความทุกข์อยู่ในความ โ, โลกรธทุกหลงตัวเปนการออนวอน เมื่อก็ไปอาศัยอันเดิมพึ่งพาอาศัยอันเดินเพราตตยนี่เรามีกายไม่ใจเข้าถึงวลตตัยให้กาให้ใจเข้าถึงไม่ใช่ถือเวลาถือมันมีเวลาวางเอาให้ถึง สิงประตัดในีการนีใจนีการศึกษาการศึกษาก็คือสิ่สมาธิปัญญาที่เกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ต้องมีวิธีที่จะปฏิบัติลงไปที่การที่ใจ การรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยจะจะชื่อว่าศีลไม่ใชอยู่ที่อื่นเพราะศีลสิกขานี่เป็นพลัตตายที่เป็นคุณธรรมเป็นคุณค่าที่สร้างตันเกิดขึ้นในกายในใจเรานี่จึงมีวิธีปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือ วิชากรรมฐ า, านมีสติปตัญกาอยู่เป็นประจำะวิธีปฏิบัติเกิดプラตะต า, ตายเข้าถึงプラตะต า, ตายเหมือนวิธีปฏิบัติมีวความเพียรมีฉันทะวิญยาณมีกิตวิมังสาอย่างที่เราสาธยยประชุดที่นี้ สิ่งที่ทำให้ได้เกิดความสำเร็จเรียกว่าสมมาวายามโม่เป็นข้อหนึ่งที่มีอยู่ในกายในใจเรานี่หนึ่งละต้องมีศรัทธาเชื่อมัน่นเมื่อมีความเชื่อต้องมีการกระทำลงไปศรัทธาเลย คือเชื่อเรามีการกระทำใสใ่ใจใส่ใจมีความเพียรศรัทธาคือเชื่ออิยะคือความภาคเพียรลงไปวามความดีตามแบบของวิชากรร ม, มาฐานมีสติปนญ้าอยู่เป็นประจำต่อไปอ มีกิตตเอาใจใส่อยู่เสมอแต่ทิ้งทิ้งว้ากว้างอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ตายก็อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สติก็อยู่นี่โดยเฉพาะวิชากรรมฐานในวิชาที่สมบูรณ์แบบชั้นศึกษาที่สูงสุดเท่ากัสมบูรณ์ มีสติปตในกายก็เห็นความคิดตามแบบกรรมฐานมีสติดูกายเพื่อนไหวเห็นใจคิดนึกกอรู้จักตัวเท่าเดียวกันทั้งกายทั้งใจสันทากิยะกิตตะเมื่อมาคิดมันนึกแล้วก็รู้จักผิดรู้จักถูกต้องผัดดูที่ว่ามีบังสา กันกองดูได้วิจัยดูได้ชบเคียวดูสองผลได้เอาใจไปต่อเอาโอาใจไปต่อเอาสองผลความถีกความถูกรู้จักเที่ยงเป็นอาโกชนก่อนละเพื่อละอาโกชนที่ยังเพื่อไม่ให้อาโกชนที่ยังไม่เป็นไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อยังกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในคราวเดียวกันเวลาเราปฏิบัติธรรมสาระทัตายมาอยู่ที่กายที่ใจเราแล้วได้สมบัติแบบมันพิ่งได้จนความรู้จึกตัวได้ดูแลกายได้ดูแลจิตใจนี่ทว่า กายมีที่พึ่งใจมีที่พึ่งอะไรมาก็รูปเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งหมดสิ่งไหนถึงจรเข้ามาโศกาโศใจในขณะที่เรามีสติอยู่นี่ได้เห็นได้เปลี่ยนได้เป็นดีมากงมื่อไกายกองบางอย่างเปลี่ยนได้ ก็เ บ, บาวางลงไม่หนดมันก็มั่นคงความตั้งอยู่ความ ม, งงามั่งมความไปบูลความเจริญความเต็มโลกเมื่อทำอยู่ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆวิชากรรมธรรมวิชาปฏิบปธรรมมันคงให้เกิดเป็นคุณเป็นค่าตัตีนี้เหมือนกับ แม่ของธรรมธรรมที่มีแม่มารดาของกุศลตัวแม่เมื่อมีแม่ก็มีลูกเกิดขึ้นลูกเกิดจากสตินี่ว่าเกิดจากการปฏิบัตินันเป็นอภิชาติดีขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลก็ กำจัดถึงไม่ดีสมาทธิกำกำจัดชิงไม่ดีปัญญากำจัดชิงไม่ดีไม่เหมือนลูกของคนลูกของคนเป็นแบบแมงจะกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทํทาทั้งกายทาาั้งใจมันเกิดขึ้นเป็นความดีพอให้เกิดมากเกิดผล โดยการปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกายคราวเดียวกันมันก็รอบสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นความดีมขึ้นในคราวเดียวกันจึงเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ช่งเหมาะสมเหลือเกินกายของเราใจของเราวิธีปฏิบัติ ละความชั่วทำความดีเน้นในการสะดวกขัวทําทอย่างอื่นสร้างรักสร้างผลนี่ไม่ได้เสียงเหมือนการการทำนาทําไร่เป็นอาชีพต้องเสี่ยงต้องลงทนนอกเรื่องงอกเหลาต้องชื่อนาะต้องชื่อรถไถต้น ชื่อยาชื่อปุ๋ยต้องลงรงตึ่งพาใชยอย่างอื่นแรงงานอย่างอื่นดินว่าอากาศโดยข้าวโดยน้า ม, มาข้าวมาแล้วก็ต้องมากว่าจะได้มาเป็นชีวิตเป็นเลือดเนื้อผ่านวิธีการหลายอย่างโดยข้ามากินโดยนชีวิตชีวิตที่ได้จาก กินข้าวมีเลือดมีเนื้อไปทำความชั่วก็มีทำความดีก็มีแต่ว่าการอาชีพหลังสิขาเล้ทำนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิขาเลวทำเป็นคือเรงชีวิตนี่ได้ชีวิตได้มีศีลได้มีเสด็จมาทิได้มีปัญญา มันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปทางเดียวมีสติก็รักความชัว่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไปแบบนี้มีอยู่แล้วในกายในใจเรานี่สะดวกชีวิตทั้งหมดตั้งการสะดวกในการทำความดีการบลาก็สะดวก ยิ่งมีวิธีกรรมมีพิธีมีรูปแบบตีสอนตีสีแล้วก็ตื่นขึ้นมามีวัดปฏิบัติจิตวั ด, ด, ว, ดวิธีวัดตีลังครขังมาทำราดสาธทยายพะสูจน์พะสูตรที่รอสาธทยาย สัมผัสได้รู้เรื่องรู้เลา่ารู้ความหมายแล้วก็มีวิธีทมน้องตะนุมมือกราบสะดวกเพื่อให้ฝึกได้ฝึกลหลายๆอย่างทั้งวาจาทั้งกายทั้งใจไปในาคราวเดียวกันจนมาถึงวิปปิบัติธรรมบังทีมันก็เป็นไปเอง แตการในการสุตตมัจัญญาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังมามากได้มาคิดมากบมาเชี่ยวได้มาการกระทํำบาที่ได้ยินได้ฟังมามากก็ศึกษาได้เล่าเรียนมามากก็อาจจะถึงนักถึงกดได้ ได้ครบที่เชี่ยวเ ย, เยอะแยะดูแล้วว่าธรรมเกิดมาเกิดผลได้ได้สัมผัสตามแบบกรรมฐานก็ได้เกิดมาเกิดผลได้ถ้าศึกษาเล่าเรียนก็เป็นสุดสมหยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาได้เกิดมาเกิดผล กินตอบเป็ปัญญาปัญญาเกิดจากการขดเขี้ยวก่อทําปหนเกิดมาเกิดผลฟ้าห้พระหลังมายาปัญญาโดยจากกรรมฐานไม่ต้องได้อ่านได้คิดอะไรว่าเห็นาผลไม่ต้องคิดก็เกิดมาเกิดผลเป็นพลังงานในสาขาสุขวิปัสสโก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆล้วนๆ ร, ร, ร, ร, รับเข้าไปเลยถึงเนื้อถึงตัวสัมผัสกับความผิดความถูกเข้าไปไม่มีการเฉียงมาเลยใช้สมองเม่ใช้วิธีการอย่างอื่นเอาของจริงว่ากันไปเลย มีสติไปดูกายกายก็มีอยู่เวลามีสติเห็นกายตามธรรมฐานรูแขนเข้าเหยียดแขนออกอะไรต่างๆให้มันเกิดกับกายขึ้นมาให้ออกกายเป็นนิมิตนัง่งรูแขนเข้าเหยียดแขนออกมันก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ โดยสอนร่างกายโดยสอนท่งาทงจิตใจเมื่อกายถูกสอนบ่อยๆจะถูกสอ น, นอบ่อยๆธรรมดาธรรมาชาติกฎธรรมาชาติหน้าที่ธรรมาชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงได้กายมันสอนได้ใจมันสอนได้ยิ่งกว่าสัตว์อื่นหรือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เมื่อถูกสอนนะฮะไอ้ความผิดความถูกได้แก้ในคราวเดียวกันสัมผัสในคราวเดียวกันมีจติเป็นครูกายใจนี่เรียนจากภาวะที่รู้คือครูของกายของใจคือรู้สึกตัวนี่เป็นครูของกายของใจกายใจมีครูก็เกิดผลขึ้ น, นมา แตนว่าอะไรจิต ท, ที่มีครูย่อมได้ประโยชน์หลอยอย่างคนอื่นสอนให้ไปได้สนเห็นของเท็จของจริงที่เกิดการสัมผัสนี่คนอื่นสอนให้ไปได้อ่านตำรับตำลาไม่ได้คิดไม่ได้ว่ากันเข้าไปเลยสัมผัสเข้าไปเลยที่ ว, ว่าวิชากรรมฐานล้วนๆที่ว่าภาวนา พวกลอดจึงเห็นว่าเรื่องนี้มาสะดวกแล้วก็สะดวกหลายอย่างที่ศึกษาให้เข็นมาเ ก, กิดผลมันมีพ่อแ้วในการในี้ใจเราดีอาว่าที่ลูกก็มีอยู่ในนี่รวมลู้สึกตัวมีอยู่กับใยกับใจอยู่แล้ว แต่เราไม่ค่อยประกอบมันจึงไม่ได้สมเด็จประโยชน์ตติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบขึ้นมามันจึงมีถ้าไม่ประกอบมันก็ไม่มีให้ใช้เราก็เคยให้อื่นมาครองมันแล้วตาใจของเราดีนานเท่าไหร่อันอื่นมาใช้กายใช้ใจเราเท่าไหร่ อังที่ก็เป็นนิสยไปเฉลี่ยวไปมากแล้วพเจ้าขึ้นมาได้ก็ต้องทวนกระเสขอทุมหวค น, นเคยมีอะไรที่คิดอะไรไปก็คิดแต่เรื่องนั่นเรื่องนันไปนี้มันมีความรู้จักตัวเลยมันก็ให้มันได้พบใหม่ขึ้นมาเป็นชาติใหม่ขึ้นมา เมื่อได้ินเสายได้ปัจจัยขึ้นมาก็เกิดความสะดวกตด้งบทเรียนเยอะแยประสบการณ์เยอะแยะอาจจะดีดได้ดีตื่นได้ดีหัวคนที่ไม่เคยมีอะไรแต่ประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเช่นองค์ครีมารที่เป็นโจรผู้ล้ายใหญ่ฆ่าคนมากมาก ได้สมผัสกับความผิดความถูกที่เกิดกับกายกับใจเรานะมันกระโดดไต้ดีที่สุดเลยแต่บางคนไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเรียบง่ายมาก็าอยู่สบายสบายไม่เครเห็นทุกขที่ไหนไม่เคยมีทุกข์แมบางทีบางคนก็พูดออกมาได้พราว่าไม่มีไม่เคยได้ยินในบ้านนี้ จริงที่ไม่มีไม่เคยได้ยินอะไรก็มีอะไรก็มีก็เลยเป็นคนสะดวกในในความสุขสุขแบบว่าเฉยอมิดถึงข่าวที่เจ็บป่วยตายไปก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้รู้ได้เมื่อแต่ด้านไปเลยแบบนั้นเลยได้ ดูยุ่งดยทุกข์บ้างมันอาจจะ ง, ง่ายดีกว่าคนที่มีแต่ความสุขเช่นสมบัติเนี่ยได้บรรลุธรรมยากกว่าคนต้องนานกว่านุชที่เกิดมาได้สมบัติกับความสุขความทุกข์ไดยบรรลุธรรมง่ายกว่าได้สอนตัวเองได้เห็นตัวเองมันเกิดขึ้นเลยมา ในบทเรียนเยอะแยะเป็นการสนุกเป็นตัวเราก็เห็นคนอื่นไม่เห็นคนอื่นก็เม่เห็นตัวเราเมื่อเห็นคนอื่นก็เกิดการงานขึ้นมากระยานขันแฉงกระตือรือร่นเช่นเวลาเรากินข้าวเย่มเราคิดถึงคนที่ยังหิว บางทีเรามีครอบคัวแม่จิงเข้าเอียมคิดถึงวัวถึงขวัยที่อยู่ในครอบคึงหมูถึงหมถงหาถึงเป็ดถึงไก่ที่ยังไม่ได้กินหมาก็วังเยือนอยู่รอที่บันไดบางทีพ่อแม่ต้องสอนเาขาให้หมาพออาหารเป็นเลี้ยงหมูออกไยออกไปเลี้ยงบางทีก็แม่บอกสอน กินข้าวเอียมก็อย่าคิดจะจีข้าวงานทำการเกิดการขยันเกิดเห็นอันอื่นเชิงอื่นได้ทำได้ให้อันอื่นเปล่าคนผูป้ปฏิบัติทำเห็นตัวเองในทุกแง่ทุกมุมได้เปลี่ยนลายเป็นดีทุกแง่ทุกมุมมันก็เกิดการงานขึ้นมา หลายหลายอย่างก็ะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ว่าภาวนานี่ยมันเป็นสุดยอดของการศึกษาสูงสุดชั้นอุดมสูงสุดแล้วเราก็สะดวกที่สุดแล้วมีกายมีใจมีวิชากรรมฐานมีผู้พู ด, พดมีผู้ควงมีผูม้มีพากันกนระทำอยู่มันก็สะดวกแล้ว ไในเห็นของเท็ขอ ง, งจริงจริงๆเมื่อเราม่สติดูกายเพื่อนไหวเห็นใจมันคิดเห็นกายอยู่เป็นประจำสิ่งที่มัเกิดเที่ยงตายความพอใจไม่พอใจถอนออกมาคือม่สติกายกายธรรมดาเป็นรูปเป็นนามกายในกายเีกไม่เป็นนามมารูป ลูกนามมีธรรมชาติมหาภูตารูปมีดินน้ำลมไฟส่วนกายในกายที่มันเกิดขึ้นมาเรื่างนามารูปเกิดจากกาจะตะนดังเป็นภพเป็นชาติเป็นทุบเป็นทุกเป็นกิปเปลสต้นหาหนาประการในกายทาชั่วทําดีมีสุขมีทุกข์ได้แสดงว่า มีขันก็มีขันสี่ขันนับตั้งแต่เวทนาไปรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยิ่งใหญ่เป็นพวะเป็นชาติอหนึ่นงแต่รูปก็เป็นนามาลูปที่สัมผัติเจ็บปวดได้เวทนาในเวทนาอันร้อนอันหนาวอันหิวอันนเดินตล่งนอนเป็นเวทนาตามธรรมชาติ หายใจเข้าหา ย, ายออกลุกเคลื่อนไหวไปมานั่งนิ่งอยู่นานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นวนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้เพราะมันมีเวทนาอริบุตรเป็นการบังเวทนาไหวไม่มีคนเห็นแต่เรามีสติจะเห็นเวทนาที่เหมือนมีอยู่ในเวทนาอีกหลายหลออย่างเวทนาในเวทนา เป็นตัวเป็นตนมีในเวทนานั่นในกายก็เป็นตัวเป็นตนที่มันเกิดจากกายซ่อนไปอีกในสุขในทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนในความคิดในจิตก็เป็นตัวเป็นตนในธรรมก็เป็นตัวเป็นตนมากขั่วที่มันเป็นธรรมชาติมันกายไปมันกายพันไปกายหรือกัณไน จิตทำมันพาไปไกลกล้าไม่รู้เพราะเรามีสติเราเห็นเนี่ยได้เห็นของเธอถมจริงไี้ตื่นสงสารเคเห็นทุกข์สงสารกายสงสารใจไม่เคยช่วยกายช่วยใจนานหลายปีจนมารู้จักได้ช่วยสงสาร เอาคืนไม่ได้เราผิดพลาดไปแล้วตำกับตัวเองแล้วอย่างกอาทำห้คนอื่นจิงอื่นบางครับหัวบางครับหววยดูด่าน้องที่กรวเครื่องอะไรต่างๆโอ้ยเสียใจยเสียใจฟังไม่เห็นตัวเองตมกับเป็นจริงได้ก็ตื่นลือโดน ผลส่งตัวอเองไปพ่นจอดสิ่งต่างๆเหมนบันบลดเรียนที่มีค่าเจ็บปวดบม่าที่มันผิดภาพหมามาไม่เครช่วยกาช่วยอยใจเนี่ยมันจะทําชั่วได้อย่างไงเมื่อไม่เห็นอย่างนี้ชิดชั่วได้อย่างไงแล้วก็เห็นความดีขนาดนี้แล้วเห็นธรรมโอ้ยอาศัยธรรมมีสติอาศัยกุณธรรม เราใช้ความเป็นพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์นี่พระตัดใจร้อยเปอร์เนอยู่ในกานี้ใจนี่ละความชั่วทําความดีได้ประโยชน์จากกายจากใจนี่เมื่อให้นิ้วสิบนิ้วไปทําความดีมีบาจารีพูดออกมาเป็นความดีบอกความผิดความถูกแต่ก่อนอาจจะบอกความไม่ถูกความผิดไม่เป็นนี่แต่พูดพากันหลงสอนกันหลง แ น, นี่มันพูดไม่เป็นแต่มันปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, น, ป, น, ปนีน้เพราะฉะนั้นจะนานเท่าไหร่พวกเราจะไม่รู้จักช่วยกายช่วยใจปล่อยกายปล่อยจทิ้งก็เสียข้าวเสียน้ําไปแล้วเสียเวลาไปแล้วสียแลงที่พ่อแม่เลี้ยงลงมาหลายๆอย่างที่เรามีชีวิตอยู่นี่ ให้พากันศึกษาปฏิบัติทำกรรมฐ า, านนี่มันลัดจริงๆัดจริงๆัดมิ้วมือกินง่ายๆเหมืนอนหลงเถีนพ่ว่าไม่ต้องเอ้อร่อยมากมายจะกินอะไรก็ไม่ต้องเอ้าลยนแล้วมาินเลยจับมาจะมาินเลยให้มันอิมม่มอิ่มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอ้อะไรามากเลยทที่เป็นควา ม, มงา่ายๆมีอยู่ เรียกว่าตัวปฏิบัติหนึ่งปะฏิคือเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนไล่เป็นดีนดนดให้ความดีเกิดขึ้นมากมายไม่ต้องดีรออ้างโน้อนอ้างนี่หลังเกิดขึ้นดีกว่าที่ใจเรานี่เปลี่ยนได้ทุกเวลานาทีเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบอทางไหนก็เปลี่ยนได้นเออล่าจึงให้โอกาสตันนี้ ไม่ได้ทํางานทําการมาได้เราทั้งสิ้นให้มีหน้าที่มีชีวิตแบบนีก้กันยุวยกันเป็นชีวิตร่วมต่อกันนะกันเรื่องบ่าวใช้กันอุ่นอกอุ่นใจด้วยกันช่วยกันช่วยกันช่วยกนะันมันก็ต้องขวนอยู่เวลาตลอดวันกับพระพร้อมกัน